วันนี้เืว่าเป็นวันที่สองเป็นวันที่สองในงวดนี้วันนี้จะขอพูดเรื่องมหาเศฐานสูตรววามยงมยินตอนนี้ไม่ไหวแล้วเขียน่าเครื่อกเมคืนนี้เป็นบับที่หนึ่งาปาณบับบับซึตอนนาปาก็หมายที่ลมให้ใจเข้าออก เการอะไรจะมาถามทั้งหมดต้องถือดวงใจเขาอกออกไปพื้นฐานวันนี้ก็เป็นเรื่องสัมปชัญญะรู้จักไหมสัมปชัญญะเปล่าการรู้ตัวว่าต้องเรื่องเลยหมดที่หนึ่งไม่หมดที่สองบาปที่สองไม่ใช่หมดหมดในสี่หมดเป็นบาปที่สองคือสัมปชัญญะบาปสัมปชัญญะเปล่าการรู้ตัว ความจริงข้อนี้มีไม่มากตามพระบาลีท่านบอกว่าเรานั่งอยู่เรารู้ว่าเรานั่งอยู่เรายืนอยู่รู้ว่าเรายืนอยู่เราเดินเรานอนเรากินเรถาถ่ายจระประสาทเรู้อยู่ถ้าถ่ายจระปัสวะไม่รู้ท่าจะยื่งอยู่นะแต่ความจียงท่านแนะนําให้รู้มีอารมรู้คือไม่ลืมสติ สติ ต, ตัวแรกได้คือนาปานุสติอนาปานุสติเป็นการฝึกสติในความรู้สึกความรู้สันึกไว้นะตัวนึกออของหน้ามางรดีนึกว่าเวลานี้ลมหายใจเข้านึกว่าเวลานี้ลมหายใจออกต่อไปการรู้ตัวว่าเราหายใจเข้าหรือเปล่าหายใจออกหรือเปล่าตัวนี้เป็นสัมปชัญญะใช นึกว่าจะรู้ลมหายใจเข้าใจออกเป็นสติรู้ว่าหายใจเข้าเรือยใจออกเป็นสัมผัสัญญากล้วรู้ว่าหายใจเข้ายาวเรือสั้นหายใจออกยาวเรือสั้นเป็นสัมผัสัญญาคือการรู้ตัวรองความว่าหมวดที่หนึ่งกับหมวดที่สองสมเพลียงกันได้แล้วต่อมาเป็นบัตที่สองนี่จะบอกว่าเราเดินอยู่ก็ดีเรานั่งอยู่ก็ดี เรายืนอยู่ก็ดีเรานอนอยู่ก็ดีทําอะไรก็ตามให้รู้ตัวเสมอแย่งนี้เป็นการฝึกอารมณ์ให้มีางกายทรงตัวสติก็ดีสราธิเยอะก็ดีถ้าเรียกว่าสมาธิ <c oughs> การฝึกสมาธิไม่ถือว่าเป็นการนั่งภาวนาเฉยๆเสมอไปว่าสมาธิเป็นการตั้งใจ ในที่นี้ใชแล้่นว่ามัตตวังคิอรู้ตัวการตั้งใจเวลานี้จะทําอะไรยก็รู้ตัวถ้าเรานั่งอยู่เราเข้าใจตัวเองว่าเรานั่งจะได้ไม่เผลอเรายืนอยู่แล้วก็ทราบว่าเรายืนจะได้ไม่เผลอถ้ามีประโยชน์ยังไงต่อไปสําหรับประโยชน์ใหญ่ขบรนดาท่านพุดธบริษัทเลี้ยงขอย้อนนิดจำบันคืนเดิมบอกจะต่อว่าสิ้นมันไม่ดี การรู peace, e ้ลมหายใจเขาออกก็ตามถ้าสัมปชัญญะการรู้ตัววันนั่งนอนยืนเดินก็ตามตอนนี้เป็นสมถะภาวนาคำว่าสมถะก็ร่างกายเป็นเครื่อสงบใจอุบายเป็นเคื่อสงบใจทําให้จิตสงบจากอาอื่นที่ทํามายุ่งกับใจขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นอวุโสก็ไม่มาเข้าก็ไม่เข้าครอบงำจิต พิเรกว่านนิวรนต้องห้าไม่เข้ามาขรอบความคิดคําว่านิวรนเป็นแปลว่ากิเลสอยากที่ทําบัญญาให้ถอยหลังนิวณนห้าเมเรีการในบรรดาเต็นพุทธบริษัทเป็นตัวทําลายความดีและบรรดาเต็นพุทธบริษัทในการทรงสมาธิาในท่านในพระมหาสิทธานั้นสุดท่านพูดนิวณ์ไว้ตอนตอนธรรมานุปัสนานะตอนท้ายแต่ตอนนี้ก็ขอบอกกันไปก่อน เพราะว่ามีความจำเป็นต้องใช้คำว่านิวรนแปลว่าพิเรยาพ่ทาปัญญาให้เปหลังก็คือหนึ่งอารมณ์รักในระหว่างเพศสองอารมณ์ที่มีความไม่พอใจเช่นความโกรธสามความงุง่งวี่อารมณ์พุ้งส้างเกินไปถ้าสงสัยในผลลุพการปฏิบัติ สร้งห้าอย่างนิบ ร, รดาทต็มพุทบริษัทท่านจะาปะ๋อะไรท่านใหญ่จะเริญกรรมาฐานในนาปานก็ดีพยายามจะทำให้จันทร์ย้ของการเรามัดระวังจะให้มันเข้ามากวนใจแต่ว่ากําลังใจของคนที่เกิดมาในโลกเราเกิดมาแล้วไหลาอสงไข่กลับก็ารับเป็นชาติก็ไหลแสนชาติใฮ้ทุกชาติทุกกลับที่เราเกิดมาติดก็คบกันในวรตลอดมา ถ้ามาจิตเขากรณีวอนเพราะว่าจิ ต, จตมีความรักในหวังเพล็กนั่น ม, มันก็ครอวอจิตเคยมีความโกรธแล้วก็ตกภายใต้อำนอาจกป็มีวที่สองขณะที่ทําความเดีรำงงเข้ามากรอความก็เป็นอวอนตัวที่สามทั้งราอย่างนี้อยู่จิตป้องชั่งนอกเหนือไปก็เป็นอวอนตัวที่ส่ผลงานที่ทมันมีอยู่แต่สงสัยและผลงานได้รับเป็นวอนตัวทีห้า ว่ามนณีวอร์นะฮะตัวในตัวใดตัวหนึ่งก็าตามมันจะฝัดกันเข้ามาก็กวนใจเราอย่างนี้มีมาทุกชาติหลายสงไขกกับไม่ <c oughs> แกว่าในเวลาช่วระยะโ่วสคู่ต่นนไหนไม่นานมานีลกลังคิดว่าจะกำจัดมณให้เด็กขาดหน้าไปมันไม่ไปแน่ก็ต้องปฏิบัติตนแบกยืดหยุนขณะที่บรรดาในบริษัทรู้ลงมืใจเข้าจออกก็าตาม โดยใช้สมาธิเยอะรู้ว่าการที่เราเคลื่อนไปก็าตามในหมายความเรานั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หรือว่าเราภาวนาอยู่ก็าตามเราสมาทานถึงก็าตามเราฟังเสกก็าตามให้ควรกรรมฐานนั้นองต่างที่พัฒนาอยา่างก็ตามทั้งหมดนี้เราตั้งใจทางความดีให้ทรงตัวนั่นก็หมายความเวลานี้เราต้องการรู่ลมใจเข้าไปออกต้องการให้ลมจิตสป็ปชัย คำว่าเป็นชายก็หมายความว่าจิตไม่วอกแวกไม่ใสเปส็นโซ่รองอื่นจิตมีการสงกรานต์สงัดจะไม่วหวนสงัดจะความพุสร้างซ่านหวนจะไม่ถูใจสงัดจะรมพุ้งร้างเลยทิ่อย่างอื่นเข้ามาแทรกเราตั้งใจแบบนั้นแต่ในเมื่อเรารู้ลมไม่ใจเข้าใจออกก็ตามขอบอกว่นิดนะว่าภาวนาด้วยก็ได้นะตอนกรรม า, านกองอื่นที่แนะนำกันมามีคำภาวนาด้วย ถาญาติโยมปฏิบัติในะารับิตสาระสุดจะรู้หลงมใจเข้าออกภาวนาด้วยกว็ได้ไม่ห้ามไม่ผิดเป็นความดีถ้าญาต่รู้หลงมใจเข้าออกก็ต า, ามจะรู้อาการของเรากระตามการนั่งนอนยดินเดินก็ะต่ า, าตอนนี้ตั้งใจเฉพาะเพระจิตเราจะไม่ยอมยุ่งอารมอื่นทั้งหมดจะไม่ยอมให้นิบรณ์เข้ามาควนใจประเดียวเดียวในใญาติโยมมันก็เข้ามาเล่นางานเรา อันดับแรกอารมณ์พุ่งสั้นจะเข้ามาก่อนแล้วรู้ลมเข้ารูลมออกหาใจเข้ายาวหรือสั้นแล้วก็รู้หาใจออกอยาวหรือสั้นแล้วรู้จิตใจสบายประเดียวเดียวเรื่องอื่นบักเข้ามาแทรกทันทีดีไม่ดีก็ไม่เกินสองนาทีมีไหมนี่มั น, นเดี๋ยวเดีมาเข้ามาแทรกนี่เป็นของธรรมดาถ้าเป็นอย่างนี้ญาติโยมพุทธบริษัทยาเพุทธมิตรตัวเองว่าเลว ให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่ยังไม่ค้นจิตเลยในเมื่อเรารู้ตัวอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกรู้ตัวตอนนี้มาเผยไว้แล้วพักหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่อาจิตใจเข้ามาจับให้ใจเข้าให้ใจออกต่อไปนี่ภาวนาด้วยก็ได้นี่บทต้นนะบับต้นถ้ามาบับหลังสมบัติัญญะให้เราบอกว่าสมบัตัญญะการรู้นั่งรู้นอ น, ร, น, อนรู้ยืนรู้เดิน อนาปานป็นตัวส่งชัยคือตัวทรงสมาธิสามารถจะยัตัวรู้หน่งนอนยนืนเดินตัวนี้มีความต้องขันคือตัวรู้ก็ได้แก่ประการเป็นการใช้ปัญญาไปนในตัวปัญญานี้ต้องใช้เพื่อเป็นแนวแนวทางการพิจนารณาในการตัดกิเลสเรารู้นั่งแล้วก็ทราบเราเดินแล้วก็ทราบเรายืนแล้วก็ทราบเรานอนแล้วก็ทราบทำงานไดเราก็ทราบติดก็ส่งตัวมิจะทรงไ ป, ป็นฟัก ตอนนี้ไปจะรู้เลยสปจากนั่นเท่าวัสดุทั้งค ท, ที่เป็นคุณประโยชน์นอกวก็รู้กายภายในรู้กายภายนอกเห็นไหมเป็นโรคบดมจีนี้ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนภายในหรือนอกรู้กายในกายรู้กายนอกกายรู้กายภายในและภายนอกร่วมกันงงนะรู้กายภายในคือกายของเรากายใดกายนะเว่าอย่างนั้นใช่ไหม รู้กายในกายคือกายของเรารู้กายภายนอกคือกายคนอื่นรู้กายภายในและภายนอกรู้ทั้งกายเราและก า, กายคนอื่นตัวรู้ตัวไหนรู้ความเกิดขึ้นของกายและความเสื่อมไปของกายนี่เรามาใช้ใช้ธรรมจญญาตัวนี้มาคืนมาบอกวันจุดนี้หมาจถอะไรฟังขึ้นไปบนพระกันต่อว่าพระนี่ไม่มีเรื่อนนะ อันต่อว่าคุณข้ามไปนิดไม่บอกเขาตามความเป็นจริงแต่ความที่เสื่อมฐานมันเครือบวิ่งจะไปไม่รอดอยู่แล้วการรู้กายภายนอกรู้การภัยกายภายนัยรู้ความเสื่อมของกายภายในัยคือกายของเรากายเกิดขึ้นของกายก็รู้การเสื่อมไปของกายภายในก็รู้กายเรากายเกิดขึ้นกายคนอื่นเราคนศาบตรกายภายนอกการเสื่อมไปของกายคนอื่นเราคนศาสต์ ตัวนี้เป็นตัวสร้างอารมมนาคามียทำไมามดีนะพระมหาธิิปทานนสูตรพระเจ้าถ้าปฏิบัติให้บอกว่าให้หวังผลสองอย่างเพื่อหวังผลอนาคาเมีและอารหันต์ไม่ตจะตามเลยการรู้กายภายในภายนอกความเสื่อมมาเสื่อมตรงไหนความเกิดขึ้นมามันก็แก่ความแก่ติดตามมาทันที ยิ่งยากหลวงเจ้ารอนแต่กวนมั้งก็จำไม่แก่ลูกสาวยิ่งลูกชายยิ้งเด็กเล็กก็วิ่งไม่ไหวใช่ไแต่ความนี่นะไม่แก่ทุกวันจากเด็กเล็กค่อยๆแก่มาหาความเป็นเด็กใหญ่นีเป็นความเสื่พดีนี่ความไม่ทรงตัวจากความเป็นเด็กใหญ่ก็ค่อยเดินขมาหาความเป็นหนุ่มสาแล้วไม่แก่ขึ้นจากความเป็นหนุ่มสาก็เดินขึนมาหาวัยกลายคน จากไปการคนก็นหาค้หาควาความเป็นคนแก่จากคนแก่ทั้งความเป็นคนตายตายจากคนก็เป็นผีใช่ไหมถูกไหมตายจากผีก็เป็นสางเดีย๋ยก็ไปกันใหญ่ครันรวมกันว่าเกิดขึงความเสื่อมของร่างกายเกิดขึ้นในเมื่อความเสื่อมร่างกายกา ย, ายไม่ท่งตัวมันก็เสื่อมเสื่อมของอายุสภาพร่งงรางกายอา จ, จเห็นชาลองตัวเรา เราก็ต้องมองคนอื่นด้วยตัวเราเห็นจากเราเกิดมาจากหนึ่งวันยีงสิบปียังไม่เห็นว่าแก่ใช่ไหมเห็นว่าตรงขึ้นชอบใจจากปีที่สิบถึงปีที่ยี่สิบก็ยังชอบใจมานเป็น 6, นุมเป็สาวขึ้นจากปีที่ยี่สิบถึงปีที่สามสิบก็ยังไม่หนักแต่พรายังไม่แก่วัยกลางคนใช่กระรองความมองให้ความแก่ของตัวยากก็ต้องมองคนอื่นด้วยมองกายในไม่เห็นก็มองกายนอก กายภานอกคือกายคนอื่ดูคนที่เขาเกิดก่อนเราเราอายุเท่านี้ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาอายุเท่าน้อยแก่แล้วอีกอย่างเมื่อเห็นคนแก่ก็ต้องจำไห้ต้องทราบตางความเป็นจริงรู้ตรวคือสัมปชัญญะตัวปัญญาว่าคนแก่ทุกคนนี่มาจากเด็กได้ดจากเด็กก็มาหาความเป็นหนุ่มเป็นสาว แา่ความเป็นหนุสาวก็เป็นวัยการคนทั้งวัยกลางคนก็เป็นคนแก่ที่ความเสี่ยงของร่างกายจะต้องเข้าถึงความแก่ทุกคนเหมือนกันไม่มีใครหลีกเลี่ยงจากความแก่ได้แล้วต่อมาเมื่อเมื่อสาวหาความแก่มันช้าเกินไปมันแก่ช้าใช่ไหมก็โดยการป่วยไข้ไม่สบายถึงถ้าเรายังไม่ป่วยก็ดูคนอื่นแล้วคนที่เกิดพร้อมเราคนดี เกิดที่หลังเราก็ดีเกิดก่อนเราก็ดีเขามีคนป่วยมีไหมทายการป่วยไข้มันไม่สบายเกิดขึ้นก็ทราบว่าเราก็มีสภาพสิ่งเขาเขาก็มีสภาพสิ่นเราคําว่าเราไหมือนกายภายในคือกายของเราต้องป่วยเหมือนเขาเหมือนไก่กายของเขาก็ป่วยกายของเราก็ป่วยกายเขาแก่เราก็แก่เขาป่วยเราก็ป่วยถ้าเขาตายเราก็ตายด้วยกัน อันนี้คือเห็นความเสี่ยงของร่างกายภายในและความเสี่ยงของร่างกายภายนอกร่างกายมันเสื่อมมันจนึงป่วยร่างกายมันเสื่องมันจึงแก่ร่างกายหมดสภาพมันจึงตายถ้าได้คิดว่าถ้าเราจะเกิดอย่างนี้สภาพอย่างนี้ก็มีกัราอีกทุกชาติค่อยค่อยคิดไปวันนหน่อยหน่อยว่ากายเกิดเป็นในโลกมนุษย์มันไม่ดีอย่างนี้ทุกคนต้องพบกับความแก่ คนต้องพบกับความป่วยทุกคนต้องพบกับความไม่แน่นอนเช้าสุกบ่ายทุกขช้าเยืกเย็นฝ่ายบ่ายจุ้มคิดคุยความปรารนาะไม่ค่อยจะสมหวั ง, งมีการทัดท้ายแตของรักข อ, อใจในที่สุดทุกคนก็ต้องมีความตายในที่สุดเหมือนกันว่าคิดกันไปจริงๆมันก็น่าเบื่ออารมณ์เบื่อเขก็ขขขเกิดทีละน้อยแต่น้อยยิ่งให้มันมากเกินไปนะ ค่อยๆทาค่อยๆเบื่อความเบื่อจะเกิดขึ้นมาจุดเล็กๆวันหนึ่งอาจจะคิดได้ถึงความเบื่อสมมติสนอนาทีก็คนจะดีใจหลังจากนั้นเมื่อเพิ่มเพิ่มไปตา้งกาลังเขากินเลยต่อไปถ้าเมรุใหม่เกิดขึ้นก็เบื่อ น, นิดหนึ่งเบื่อวันนิดวันนิ ด, นนดไม่ทราบลุงเกิดความคิดตัวเบื่อ น, นี่มันดาญาติโยมพระธบายสัทท่านเรียกวันนี้ทีทา ย, ยาย <c oughs> ในมีปรัชนานยางก้าวท่านเรียกมีปรัชนาเรี ย, ย, ยกมี ท, ทา ย, ยางคือความเบื่อนาในร่างกายถ้าความเบื่อเกิดขึ้นแม้แต่วันนั้นหน่อยอย่าลืมว่าถ้าเบื่อทุกวันสมมติว่าความเบื่อร่างกายจริงเบื่อร่างกายเราด้วยเบื่อร่างกายกบุคคนอื่นเ้าค่อยๆดูความจุดที่เรต้องเบื่อมันส่วนที่เราต้องเบื่อเป็นความสุขบกของร่างกายเราอาจจะมองไม่เห็น ร่างกายสุขบรมมีจริงแต่าอารมณ์เคอะมันมีอยู่เราเลยเข้าใจร่างกายเพรรับสะอาดลืมไปหน่อยก็ช่างมันก็ไปดูจุดที่น่าเบือคือความแก่ความแก่ก็ดูยากมูนยังไม่แก่ก็ไดูความเสื่อมสั้นๆไม่มีไหมความเสื่อมระยะสั้นๆนั่นคืออาหารการกินอาหารเข้าไปแล้วมันก็อิ่มมีความสุขแตกินมากเลยสุข อ, อื่นเหมือนกันนะใช่ไหมทุก อาแค่พอดีพอดีมันก็มีความสุขมีกำลังไม่ช้านไปนานเป็นชั่วโมงสองชัง่วโมงสองสามชั่วโมองอาหารที่กินเข้าไปก็มีสภาพเสื่อมหมดและภาพเสื่อมเกิดขึ้นความท่องอาหารมีเสื่อมร่างกายก็อยูมมม่มีความทุกข์ใช่ไหมีความทุกข์กินใหม่อิ่มใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ยิวใหม่ต้องกินใหม่ก็เป็นสภาพแบบนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าถ้าต้องกินอย่างนี้มันมีความสุขหรือความทุกข์ ขณะกินอยู่มีความอิ่มมีความสุขหิวก็มีความทุขแม้ตอนก่อนกินแหละอาหารทุกอย่างที่เราเิ่ได้มามันได้ไม่ได้ความสุขไม่ได้ไม่ได้ความทุกข์การประกอบกิจการงานทั้งหมดตเต็มด้วยความเหนื่อยยากมาเป็นความทุกข์เรากินอย่างนี้หิว อ, อย่างนี้ตลอดไปหิวตั้งถึงวันตายตายแล้วจะกลับมาเกิดใหม่มันก็ทุกแบบนี้กรงก็ค่อยค่อยคิด ต่ไปรลมใจถ้าปัญญาเกิดขึ้นจริงปัญญาตัวแตกเลสกคือขึ้นจริงญญตัดค่เล็กน้อยนะตอนเดี๋ยวหนึ่งก็จะเกิดความเบื่อในร่างกายในความเกิดที่เรี่ยวความเกิดเป็นในโลกมนุษย์มันไม่ดีอย่างนี้คแค่เบื่อความเสื่ยมถ้าเบื่อความสงบก็เหมือนกันถ้าร่างกายเป็นมรรคสงบอุจจาระก็ดีปัสสาวะก็ดีเงินใครก็ดีมันออกมา ถ้าเกิดความเบื่อนายคิดว่าร่างกายสกปรกอย่างนี้ถหรือเพียงแค่เจ้าขนาดเดีเดียวมันคิดว่าสกปรกจริงจรงมันเบื่อจริงจริงถา้าจิตใจความเบื่อก็สลายตัวเริ่มไม่เบื่อใหม่ต่อไปมีไหมถ้าเป็นอย่างนี้จะคิดว่าการเบื่อประเดี๋ยวเดียวจะไม่เกิดผลนะผลใหญ่จะมีจมัรได้จะพุทธบริษัทก็ดูตัวอย่างของไขนะ่จำได้ไหม พระจุลนันทศใช่ไหมกันได้ไม่ได้ยื้ยิ้มอยิมไม่ได้พระจุลนันทศพระองค์นี้มีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากด้วยแล้วก็ใช้กรรมฐานเล็กน้อยท่าเจ้าให้ผ้าขาวผืนหนึ่งผ้ขาขาขิได้เปนผ้าทิพหนาให้อมใสมือแล้วคืงไปคืนมาภานาว่าโชสุนังและชางฮาปิแต่เวลา ไ, ไม่ต้องว่าครับ เพียงเดียวเท่านี้ป่าเดี๋ยวเดียวท่านเป็นพระอรหันต์พร้อมเป็นสมิธายานะมีฤทธมากต่อไปพระในทูลถามพระพทธเจ้าว่าพระจุนวรโตกบำเพ็ญปุญญาอะไรไว้จะเลจะมาฐานป่าเดี๋ยวเดียวเป็นพระอรหันต์ด้วยมีฤทธิ์มากด้วยเพราะพมื่เจ้าบอกว่าในสมัยติกจำบานที่ผ่านมาพระพุทธเจ้าบอิตึกจำบานมันต้องนานมากเวลานั้นท่านจุนวรโกเป็นพระมาทกรษสับ แต่ิย์จะตามปกติปีหนึ่งนะาอาจจะปีคั้งนักสองคั้งก็ไม่ทราบเขาจะมีการเรียกเมืองเรียกพระนครสร่างการหามด้วีมากเดินไปรอบรอบเมืองเขาเรียกพระนครนะมี่เขาบริหารในขณะอี่เลาะแล้เรียกเมืออะไรเองก็ปลาตัวเห น, หนือไหลอกมามันร้อนจักท่านก็ผ้าเช็ดหน้าเช็ดตัวเช็ดเหนือไห้เหนือนติดผ้ามาแล้วเกิดการส่งปกเศร้าหมอผ้ามันขาวสะอาดหรือผ้ามคนดํา ถ้าภาคบดูถ้าคิดว่าร่างกายของเรา ป, ประสบขนาดนี้จะรื่องทีแค่นี้เองนะพระเจ้าบอกเขาคิดเพียงแค่นี้แล้วก็ฉลายตัวไปไม่คิดต่อไปจนทั้งตายแล้วก็ไปคิดต่อไปหลายชาติต่อมาเมอองค์สมเด็จพระร่มมโลกร น, นาคแก่สงเคราะห์ให้เป็นพระราหันให้ก็ต้องพิจารณาว่าบุณอันใด ห, หนอที่บุคคลคนนี้ทําไว้ที่มีการบางสูง สามารถที่ขาจะเป็นพระอรหั์ได้คือบุญทุกคนทําทุกอย่างหลายห้าอย่างเหมือนกันแต่กํลาลังบุญที่ทําอย่างใดหนึ่งต้องมีกํลาลังสูงกว่าไปก็ทราบว่าบุญที่มีความเบื่อหน่ายร่างกายในสมัยที่เป็นกษัตริ์เวลานั้นจะให้ผลกับจุฬาบรรตกเป็นหลานในวันนี้เมืได้ส่งผ้าขาวผ้าผ้าช็ดหนาผ้าเช็ดมือลเล็กล็กฝืนหนึ่งให้กับจุฬาบรรตก เขาบอกว่าภาวนาแล้วได้โชว์กำลังและสังหาติถ้าผ้าใส่มือมือซ้อนกันคลึงไปคลึงมาภาวนาไปด้วยท่านทําตามนัง่งครูเดียวผ้ามาดูผ้าสกบรกท่านคิดว่าร่างกายของเราสกปกตรงนี้หรือเพียงเท่านี้ติดจากกิเลสอันเดียวไล้รอความได้ย้ายยอมวัตถุสัตย์พาการคิดถึงความเบื่อหนในร่างกายที่พระเจ้ากล่าวว่าความเสื่อมของร่างกายภายใน คามเสี่องของร่างกายภายนอกคือกายเรากายภายในคือกายเรากายภายนอกคือกายคนอื่นและเมื่อไปเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ไม่น่าจะมีร่างกายอย่างนี้อีกถ้าตายจากชาตินี้เราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดเราต้องการมวิญญาณสี่งเดียวเรียกคำว่าต้องการมีวิญญาณสี่งเดียวเข้าจุดสุดท้ายข็งมหาปิตาฐานข้อสุดท้ายที่จะบอกว่าถ้ามีความเบื Luckily, ่อในร่างกายภายในคือกายเรา บนร่างกายภายนอกคือกายคนอื่นอันนี้เปล่าองพระวนาคามีเบริ่งนะเป็นพื้นฐานให้เกิดมา เ, เป็นเพราะนาคาบต่อไปถ้าทรงแนะนำว่าเราจะไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกหรือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่อย่างนี้เป็นที่อาศัยช่วคกรรมสาหรับเราเราไม่ยึดถือมันต่อไปและไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมด ข้อสุดท้ายแต่ระบาดเราว่าเราจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดอันนี้แปรลมพระหลานคือ่าสังขารลุเปลข่ยนขยาถ้าเราจะทําคิดว่าโลกทั้งโลกมีอะไรหนอที่เราพอจะเป็นดีพึ่งของเราได้คําว่าเป็นดีพึ่งของเราได้ก็คือว่าหนึ่งเราจะต้องไม่แย่ไปตามสภาพมีไหมสอง เราหายาแก้แก่ไม่ได้มีแต่ยาสร้างความแก่มีไหมอีอาหารที่เรากินมาสร้างความแก่เราทุวกวันหรือว่าเราหายพี่เพึ่งของเราจริงจินที่เราต้องการคืนหนึ่งเราไม่ต้องการแก่พี่เพึ่งนั้นถา้ามีจริงเขาต้องทำให้เราไม่แก่ได้มีหไหมมีนะ้าปกติคนเกิดมาในโลกต้องมีการป่วยไข้ไม่สบาย ถ้ามีใครประมาณที่เราให้ทําให้เราไม่ป่วยไข้ไม่สบายมีไหมไม่ได้ใช่ไหมแต่คนที่ทําให้เราไม่แก่ก็มีทําให้เราไม่ป่วยไข้ไม่สบายก็มีถ้ามีใครปรไมาที่เราให้ทําให้เรามีความปรารถนาสมหวังเสมอไม่คัดฝังก็ไม่มีใช่ไหมถ้ามีใครบ้างที่จะส่งะ้อเราไว้ทักทายแจกของรับของชอบใจ สิ่งใดคนก็ดีใสกก่ก็ดีวัตถุดีที่เรารักเราชอบใจมันจะอยู่รตลอดการตลอดสมัยไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็หาที่พึ่งแบบนี้ไม่ได้ในที่สุดมีใครบัไว้ที่ป้องกันเมื่อเราตายก็ไม่มีเหมือนกันใช่ไหมตัวความวันโลกทั้งโลกนี่ไม่จริงที่น่าสนใจสําหรับเราเราต้องการโลกเปที่พึ้นจริงๆไม่ได้ ก็สามารถจะช่วยญาติโยมไม่แก่ได้เพราะพระเองก็เสื่อมแก่ที่เองด้วยอย่างฉันเนี่ยนแก่อย่างลูกไม่แก่นมน้อยวะเดี๋ยวก็แก่ไอันนี้เรียงทางนั้นนะพระก็ช่วยญาติโยมไม่แก่ไม่ได้เพราะพระเองก็แก่เวลาจะป่วยท่สบายไปหาพรช่วยพ้ะก็เสื่อมหวเองอย่างฉันเนี่ยเวลาจะป่วยนั่งดที่มหาบันเสือกนะพรก็ป่วยเอง ญาติโยมไม่ต้องการให้ตายการิเขตายใช้เองเอาอะไรที่พึ่งจะต้องการไปเพื่อเรศีเวลานีพพกเกตโคนก็มาถึงเรศีเแต่ศีนะิพพกโขนไม่ทุกได้นะไปเพื่อเรศีในป่าเรศีถ้าเขาตายเองเจ่าแก่เองก็พึ่งไม่ได้เหมือนกันรวมว่าความว่าโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราเราต้องการให้โลกปเป็นที่พึ่งอาศัยทุกคนในโลกคนดี พระในโลกก็าตามจีในโลกก็าตามเทในโลกก็าตามไม่มีใครห้ามความแก่ได้มีความห้ามความป่วยความร้มอความตายได้ตัวบาโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นสุขถ้าเราหวังโลกไปที่พึ่งเราก็หมายความเราต้องการความทุกข์ดังั้นต่อนี้ไปจิตใจของเราไม่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะว่าไม่ต้องการให้มันเป็นอารมณ์ไปเดียวๆนะ ค่อยๆ ค, คิดวันหนึ่งยี่สิบสี่สัปโมจิตคิดถึงว่าโลกเป็นทุกข์จริงๆไม่มีอะไรไปที่พึ่งจรงสักหนึ่งนาทีก็พอเวลาจิตสบายให้มองเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรไปที่พึ่งเราไม่อ ย, อยากอยู่อีกแค่เราบันจินถ้าคิดได้ด้วยกําลังปัญญาจริงๆสักวันหนึ่งานาทียะเรียนรับไม่ใช่น้อยเพียงแค่ตอนนี้ก่อนที่เห็นว่าโลกไม่น่าอยู่มันโลกเป็นทุกข์ อย่างนี้อารมณ์อื่นมันต้องมาก่อนสมาธิตัวแรกตัวเบาๆอย่างการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกมาต้องมีมาก่อนรู้ลมหายใจเข้ายารสั้นออกยารสั้นมันต้องมีมาก่อนตัวสมาธิเพีงแค่นี้ก็มแอันดีสงมากแล้วต่อไปตัวปัญญาก็ค่อยๆเจิดทิ้งความเสี่ยงของร่างกายร่างกายรู้จักแก่ร่างกายรู้จักป่วยร่างกายรู้จักตาย ร่างกายมีความรารถนาไม่เป็นสมหวังเป็นความเสขอมก็เริ่มเบื่อมาแล้วตอนเบื่อที่เป็นนิพพานใหญ่ถ้ายต่อไปกำลังใจขั้นใต้คิดว่าโรคนี้ไม่ได้อยู่โรคนี้ไม่ได้เกิดต่อไปกำลังใจวางเฉยได้ทรัพย์สินทั้งหมดเฉพาะเวลาเล็กๆนะเป็นมาสต์ใจไปมองดู บ, บ้านเรือนทรัพย์สินต่างๆทั้งหมดไม่สามารถห้ามความแก่ได้ เงินทองทั้งหมดไม่สามารถกั้นกายความป่วยแม่ครอบงมเราได้ทรัพย์สินทั้งหมดไม่สามารถห้ามความตายได้ก็ขึ้นอยู่กัโลกนี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรจะพิชซึ้นเราไม่สั่งการโลกนี้เวลานั้นยิ่นจิตวางถึงกับทรัพย์สินวางเฉยกับคนวางถึงกับร่างกายร่างกายไม่มีความเกิดในเบื้องต้นจะมีความแปรปนทั้งกลางแตกสลายใ น, นที่สุด ที่เป็นสภาพก็มันมันจะเป็นยังไงก็ไม่รื่องราะมันจะตายก็ต า, ามใจเส้นปานิพันธ์จิตใจเข้าถึงจุดนี้ก็ถือว่าเริ่มเข้าสังขารปเปรายญาเล็ดน้อยอารมณ์อารานค่อยๆฝุกวันเล็กวันน้อยคิดว่าไม่มากแต่ว่าเวลาจะตายบรรดาจะพุทธวิสัชถ้าเวลาที่ท่านป่วยจะตายถึงเวลานั้นกี่เลสมันถอยหลังหมดคนที่กําลังมีทุกขเวทนาอย่างหนะักกิเลสมันอยู่ไม่ได้ อยไม่ได้เพราะอะไรความรักในระหว่างเพศกามไม่ไหวแล้วอ้อยอ้อยไหวไหมไปดักกับใครนะถ้าบอกไว้แล้ววันที่หนึงเรกนี้นะก่อนซื่งไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยความโลคไหวไหมไม่จะไปขุดทองเนี่ยแล้วจันเขาบอกจะไปตีคนนั่นฆ่าคนาานี้ก็ไปไม่ไหวกลัวว่ากีรติหนึ่งความรักในระหว่างเพศความโรคอยากได้ทัพย์สินในขนาดที่มีทุกเวทนาอย่างหนัก ทางตัวที่จะไปฆ่าใครเขาในโลกนี้ไม่มีในเวลานั้นเวลานั้นกิเลสต่างๆประเภทมีหยุดเหลือสอย่างเดียวคือทุกขเวทนาแต่ทุกขเวทนานี่กิเลสอีก จ, จุดหนึ่งมันจะจริงเฉพาะคนบางคนคนที่ลืมใช้ปัญญาจะมีความหลงยังเข้าใจาร่างกายดีอย่างนี้อาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าบันใดญาติโยมผู้บริษัทอบรมทำอย่างนี้ เวลานั้นจริงๆไม่มีใครหลงร่างกายก็ต้องมีความรู้สึกว่าร่างกายตัวนี้มันเหลียวไป ม, มีทุกขเวทนาอย่างเดียวความต้องการร่างกายไม่มีในเวลานั้นจุดไหยของร่างกายเป็นด้วยความปวดเต็มไปด้วยความเสียดมีทุกขเวทนาอย่างหนักมันจะตายมนต้องทุกอย่างนักตอนนั้นอารมณ์ใจจะจะได้หลบ ก, กิเลสนิดหนึ่งแต่ใจที่บรรดาญะโยมพระสงฆ์ศาสนาอบรมทำอยู่ประจําใจก็จะมีความรู้สึก แเวลาในกุศลเข้ากรอรจิตที่มีความรู้สึกว่ากายเกิดมนุษมันไม่ดีอย่างนี้มันมีทุกเวทนาอย่างนี้เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกถ้าเรเกิดซึ่งเพียงแค่นี้ระเบรดาย่าโยมพระสงฆ์ใแค่นี้เองไม่ต้องมากนะที่คิดว่ร่างกายเร็วๆอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกแค่นี้ไม่ต้องมากเพียงเท่านี้ท่านจะเป็นอรหันต์ทันทีถ้าเป็นวันนั้นก็รับไม่ผ่านวันนั้นคารวะนะ ถ้ปไพก็จบไปไหนกรวมความว่าหมหาสิตาหน้าสุดข้อดีสองคือว่าสัพพัญญะให้มีความรู้ตัวว่าเวลานี้เราแก่เวลานี้เราป่วยเวลานี้เราตายเราจะตายนะเวลานี้เรานั่งเวลานี้เรานอนเวลานี้เราทําบุญเวลานี้เราทํางานฝึกใจว่าอย่างนี้กําลังใจพจจุทธายาโยพุทริษัทจะทรงความมีเสมอ ความดีอย่างนี้ถ้าไมาจะทำได้วันําไม่มากก็ไม่็ไรแค่สองน้ำตสามสองสาน้ำีก็ใช้ได้ตอนนี้ไปพ้นได้ถึงพุทธบริษัททันไรตั้งใจสมาทานและกรรมฐาย